อาจารย์คะขอโอกาสคะ่พะพอดีวันนี้คุณอุบลน่ยนะคะพานุทัศนาพรจะนาหนังสือสาธยายธรรมที่พิมพ์จํานวนหนึ่งหมื่นเล่มมานองถวายนะคะ เ, เดี๋ยวยงขอกล่าวเลยแล้วกั น, นะคะ่ะกราบนมัส ก, การเรียนท่านพระอาจารย์คือกริสโสดทิพโลงข้าพเจ้าในนามกลุ่มพุทธโอดถลงพิมพ์ลักษมีรุ่งพร้อมหมู่คณะ ก, กาญญาณมิตร ซึ่งในวันนี้ได้ส่งตัวแทนมาจํานวนทั้งหมดเก้าท่านดังมีรายนามต่อไปนี้หนึ่งคุณอนุชาคุณอรพินพานุทัศนาพรคุณวันเพ็นมงคลนวมนาคคุณพัทรพลลาวานิชกุลคุณสุจิตบุตรโธคุณสริพรสุภาพคุณวราพรพนตั้งตรงศักดิ์คุณบุญชนน์นิพภาสาเต็มเจริญทรัพย์คุณชาติจีรนัยสิน และคุณนิธิวดีเทียนทองพวกเราได้รับประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจากการศึกษาธรรมะและวินัยที่มาจากพุทธโอษฐจึงทำให้พวกเราเห็นความสำคัญในเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมของพระสัทธรรมด้วยความรักและเคารพในองค์พระบรมศาสดาผู้ประเสริฐแห่งนรชนเป็นอย่างยิ่งพวกเราจึงตั้งมโน ขอทำหน้าที่เป็นหนึ่งในรัตนะห้าประการที่หาได้ยากในโลกด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นกตัญญูกะตะเวทีบุคคลร่วมสนับสนุนเผยแผ่พุทธวจนะให้ออกไปสู่มหาชนให้มากขึ้นและในวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมถวายหนังสือสาธยายธรรมจำนวนหนึ่งหมื่นเล่มให้แก่วัดนาป่าพง์ซึ่งอานิสงของการสาธยายธรรมนี้ นอกจากจะเป็นหนึ่งในเหตุห้าประการที่สร้างความตั้งมั่นให้แก่พระสัทธรรมแล้วก็ยังเป็นเครื่องที่ช่วยให้เข้าถึงวิมุตติข้าพเจ้าใครขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์คึกฤทธิโสธิพรโรเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงผู้เป็นทักขินัยยะบุคคลได้โปรดเป็นตัวแทนของภิกษุสงฆ์รับมอบหนังสือสาธยายธรรมจากพวกเราเหล่าอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีพระรัตนไตยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดเพื่อให้ทำก็ดีวินัยก็ดีอันแสดงแล้วบัญญัติแล้วโดยพระศาสดาดำรงคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานขออานิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการถวายธรรมทานในครั้งนี้ได้โปรดยังประโยชน์ให้พวกเราตลอดจนผู้ที่ร่วมอนุโมทนาเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขภะละ เป็นผู้ฉลาดในธรรมของสัตว์ตะบรุษและท้ายที่สุดให้ได้สำเร็จมรรคผลเป็นอริยะบุคคลตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างโดยทั่วกันทุกท่านเทิญก็ขออนุโมทนากับคณะญาติโยมที่ได้ทำหนังสือตรงนี้นะก็เป็นการสร้างเหตุปัจจัยของความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม นะตามความเห็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงบัญญัติเอาไว้นะในข้อที่1คือบทพัญชนะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกนะก็คือบทพัญชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั่นเองนะและในข้อที่3คือต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมุลรากสืบทอดสืบทอดกันต่อๆไปนะนั้นเราก็ส่งต่อ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 ที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุตผู้สุดท้ายของเราเลยนะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นคนสุดท้ายเรารีบส่งต่อธรรมะนี้ให้คนอื่นก่อนนะส่งต่อไปเรื่อยๆและฝากฝังเขาไว้ว่าสืบทอดกัลยาณวัตรนี้ไ้ด้วยนะเพราะ น, นั้นเราไม่ได้สืบทอดกัลยาณวัตรของใครนะสืบทอดของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะ น, นี่ก็ขออนุมทนาใน บุญคือตรงนี้นะอย่างงั้นเดี๋ยวจะรบกวนเจ้าภาพช่วยเป็นตัวแทนอาจจะตรงนี้คุณพอีคุณสุจิตเนี่ยจัดเอาไว้เป็นชุดๆให้แล้วนะคะเป็นนิดหน่อยสําหรับถวายนะีตรงศาลาไม้ก็ <c oughs> สําหรับท่านใดที่อยากร่วมอนุโมทนาทถวายตรงนี้เชิญเลยนะคะ พวกเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่โชคดีเนาะอาตมาว่าแต่ก่อนอาตมาก่อนบวชไม่เคยไปวัดบ่อยๆอย่างนี้หรอกมาปฏิบัติธรรมอย่างของกลุ่มของซีพีแลน์นะหรือว่าของญาติโยมที่เคยมาเรื่อยๆนะอาตมาไม่มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับพระเรื่อยๆนะก็น่าจะเป็นโชคดีเป็นโอกาสดี น่าจะมีโอกาสได้สักถามแล้วก็คุยกันในคำของพระาศาสดานะ ม, มาเจอก็เมื่อบวชมาแล้วสี่ปีนะถือว่าพวกเราก็โชคดีนะและได้มีโอกาสมาเรื่อยๆมาเป็นประจำฟังธรรมตามการนะสนทนาธรรมตามการ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมนะทำให้เราได้สั่งสมสุตตะมีความแตกฉานแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม่ที่บรรลุแล้วใครที่ยังไม่บรรลุก็จะบรรลุธรรมใครบรรลุแล้วก็จะแตกฉานช่ำชองขึ้นไปเรื่อยๆนะก็เป็นเหตุหนึ่งในความตั้งมั่นของพระสัตธรรมเราได้ประโยชน์แล้วด้วยนะคนอื่นก็ จะได้ประโยชน์ไปด้วยคนรอบข้างเราที่เกี่ยวข้องกับเราการปฏิบัติก็เป็นความจำเป็นนะที่พระองค์บอกว่าให้สุญญากระวัตงอกงามนะก็จะมีหมู่คณะที่รวมกลุ่มกันมาประพฤติปฏิบัติที่วัดนะเป็นคณะคณะนะก็ถือว่าให้สุญญากระวัตรงอกงามคือหลีก หลีกออกจากเรือนบ้างนะละภาระหน้าที่ของเราก็มาอยู่ในที่ที่สัปะยะวิเวกลดกเล่นก็เกื้อกูลต่อการปฏิบัติคือวางภาระหน้าที่ตางโลกแล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิมีปัญหาอะไรก็ได้มีโอกาสซักถามกับผู้รู้ ได้มีความเข้าใจในอดในธรรมเพิ่มขึ้นก็นะจะเป็นความเจริญก้าวหน้าในธรรมะในชีวิตของเรานะ <c oughs> <c oughs> มีใครมีประเด็นอะไรไหมนะนั่งสมาธิกันก่อนไหมสักพักหนึ่งนะนั่งสมาธนะิทำความสงบของจิตสักพักหนึ่ง เราได้สร้างบุญกุศลกันมามากมายแล้วนะพอจิตสงบตั้งมั่นดีแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสัรพสัตต์ทั้งหลายนะให้กับปรหมให้กับเทวดา <c oughs> ให้กับมนุษย์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดนะเดี๋ยวเราก็ทําสมาธิยังประโยชน์ตนนะให้ถึงพร้อมก่อน <c oughs> ทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์ห้าหรืออกุศลสามอย่างกาปรปฏิบัติเปลีป่ยนแล้วตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก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 ทาความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทํากายสัังขารให้ลางับตั้งใจพอดีพอดีเหมือนกับการจับนกด้วยมือเพราะองค์บอกบีบแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือ ต้องจับพอดีพอดีคอยระวังที่จิตของเราจิตของเราให้รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกถ้าจิตเคลื่อนออกจากลมหายใจไม่รู้อารมณ์ใดก็ตามให้ละนันทิคือความเพลินนันทิแปลว่าความเพลิน แล้วความเพลินแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการรู้ลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นกายยัตาสติเป็นการระลึกกลับมาที่กายเหมือนกัน การนี้เป็นเสาคืนเสาหลักของจิตให้จิตตั้งอยู่กับกายไว้ตั้งใจพอดีพอดีไม่เคร่งเครียดเกินไปปล่อยร่างกายสบายสบายวางจิตสบายสบายแค่ไม่ให้จิตเที่ยวออกไปในอารมณ์ต่างๆกลับมารู้ลมที่กําลังไหลเข้าไหลออก กอนอกจากสมาธิก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> จากนั้นก็ค่อยๆ อ, ออกจากสมาธิมา <c oughs> มีคำถามที่โยมส่งขึ้นมานะ ข้ที่หนึ่งการละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์ทั้งหลายหรืองดเว้นจากการบริโภคเนื้อวัวซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่หรือการงดเว้นอย่างคริ้งคัดทั้งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นการละปานาธิบาติด้วยหรือไม่อันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีที่พระเจ้าตรัสไว้นะกระเป๋ารองเท้าได้หรือเปล่า เบารถยนต์สบู่นะอือโอเยอะแยะมากไปนะอือมันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันไปหมดนะพระศาสดาบัญญัติแค่ว่าในส่วนของปลาและเนื้อเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเกียจนะว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยก็ทานได้ตามปกติ พระเทวทัตเคยขอให้ผู้เจ้าบัญญัติห้ามภิกษุฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตผู้เจ้าไม่อนุญาต <c oughs> ในพบของเทวดาถ้าท่านได้ฟังธรรมจะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระลานได้หรือไม่หรือต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงจะบรรลุธรรมได้ในภายหลัง มีที่พระองค์จัดไว้มากนะในเรื่องของการบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายนะในพบของเทวดานะ <c oughs> สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เช่นกัน 3. จากหนังสือพุทธนจนปฐมธรรมหน้า146ความว่ามานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายาน ดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีบแกส่สำนัหรือพรามเกาตายไปจะเข้าถึงสุตติโลกสวรรค์หมายความว่าถ้าเราถวายของที่อาจขัดต่อสินของพระที่อาจขัดต่อสินของพระได้หรือมีอะไรขัดต่อสินของพระนอกข้าวก็ไม่ขัดนี่โยมถ้าข้าวดิบมันขัดขัดอยู่เพราะพระหุงข้าวเองไม่ได้ พนะระทำอาหารเองไม่ได้พระห้ามเก็บอาหารในที่อยู่น้ำ <c oughs> น้าก็ถวายได้ผ้าผ้าก็ถวายได้ไม่มีที่พรเจ้าไม่ได้บัญญัติห้ามยานยานพานะก็ไม่มีข้อห้ามอีกเหมือนกันนะดอกไม้ก็ไม่มีข้อห้ามในเรื่องดอกไม้ของหอมนะ ก็ไม่มีข้อห้ามตรงนี้ยังมีในครั้งพุทธกาลเขาจะถวายดอกไม้มาภิกษุก็ถามว่าจะทํำยังไงกับดอกไม้นี้นะครูชาก็บอกออาไปวางไว้ตรงนี้ประตูหน้าต่างของหอมจะทํำยังไงนะเอาไปทําไว้ตรงนี้นะก็จะมีบอกไว้หมดนะเครื่องรูปไร่สบู่เป็นเครื่องรูปไร่ไหมนะก็เป็นเครื่องรูปไร้ได้นะ ยาทาแก้ปอดปืนอะไรอย่างนี้ก็เป็นเครื่องรูปไลายได้ที่นอนนะก็อนุญาตอยู่ที่อยู่อาศัยก็อนุญาตเดิมไม่อนุญาตเรื่องกุตินะที่อยู่อาศัยนี่กุติหรือเปล่ากุติวิหาร <c oughs> หรือยมจะปลูกต้นไม้ให้พระอยู่คนไม้ก็อนุญาตอีกนะพระก็อยู่คนไม้ได้แต่ก่อน ค้าราชกจะมาถวายกุฏิทํากุฏิให้กับพิสูพิสูบอกรับไม่ได้ผู้เจ้ายังไม่อนุญาตนะต้องไปขออนุญาตผู้เจ้าก่อนเมื่อผู้เจ้าอนุญาตแล้วนะก็เลยรับได้นั้นทุกอย่างเนี่ยก็มาจากพุท ธ, ธานุญาตทังนั้น <c oughs> เครื่องตามประทีปประทีปสิ่งที่ทําให้เกิดแสงสว่างเทียนตะเกียงนะ ตะเกียงน้ำมันตะเกียงถ่านไฟฉายนะไฟฉายถ่านพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องตามประทิบนะก็ไม่ผิดอะไรนะก็วิเคราะห์ดูทุกคำยังไม่เห็นว่าอะไรที่จะขัดต่อศีลของพระนะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรมะ อ้างั้นก็ตอบสามข้อแล้วเนาะอาจารย์ครับขอขอเรียนถามหน่อยครับไม่เปิดไม่ดังมั้งของไมลอย เ, อเปิดแล้วแต่ไม่ยอมดังไม่คยดังอาจจต้งองพูดเรียกเกลี่ยขยับไม่ตรงๆมันเป็นไม่ที่รับ เสียงช่องทางเดียวครับดังแล้วครับกาบเรียนถามพระอาจารย์อย่างนี้นะครับคือในแง่สมมติว่าในกรณีที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราแค่แค่กายานุปัสสนาเนี่ยไม่ทราบผมเข้าใจถูกหรือผิดนะครับว่าเวทนาจิตธรรมก็จะตามมาหมดเลยใช่นัประการที่หนึ่งนะครับอาจารย์ประการที่สองอยากจะการเรียนถามว่าในกรณีที่เราเราลึกถึงลมหายใจนี่นะครับกําลังมีความเข้าใจว่าลมหายใจเนี่ วิ่งตลอดสายเลยตั้งแต่เรื่องของกายาก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีอันนี้หมายความว่าลมหายใจนี่จะวิ่งตลอดทั้งทั้ง4อยู่ที่สี่เราพลิกไปหรือเปล่าอยู่ที่จิตเราพิกไปไหมอ๋อใช่ไหมครับใช่ทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเอ้าเรากําลังเจริญกายานุปัสสนานะครับเราก็อยู่กับลมหายใจนี่ชัดเจนแต่พอไปพิจารณาเรื่องเวทนาพวะนะฮะแสดงว่าจิตเราเคลื่อนไปเรื่องเวทนาแล้วดึงกลับมาที่ ลมหายใจต่อไม่ต้องก็ได้เป็นที่เที่ยวของจิตที่ถูกต้องทั้งสี่ทางอแต่เวทานานั้นต้องเป็นเวทานาที่เป็นอุเบกขาหรือเป็นปิติเป็นสุขที่เข้าไาเห็นในสมาธินะ่ะอย่างนี้ซึ่งปิติสุขตรงนี้เป็นปิติสุขที่ไม่อิงอามิตรคือไม่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างเนี้ยอ น, นั่นหมายความว่าสมมติกรณีสมมุติกําลังเจริญ ไล่มาตั้งแต่กายานะฮะก็ขึ้นไปจนถึงอ่ะเห็นเรื่องธรรมะแล้วละ่ะกำลังเลิกทำธรรมะวิจัยแล้วล่ะตอนนี้นะครับเสร็จแล้วพอจิตเคลื่อนไปที่ธรรมะวิจัยกําลังอาจจะคิดเรื่องเรื่องนิ่รณ์ห้าเรื่องต่างๆนะครับเสร็จแล้วเราต้องยังไงเราก็ต้องดึงกลับมาที่ลมหายใจอยู่เหมือนเดิมเปล่าเลยอาจารย์หรือว่ายังยังปล่อยให้ใจิตธรรมะวิจัยพิจารณาธรรมะอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยก็ลองไม่ให้มันจบดูสิที่สุดมันก็ต้องจบ อ่อะไรก็ตามเราคิดปรุงขึ้นมาแล้วเนี่ยที่สุดมันต้องดับนะเราก็ลองก็ได้ว่าอะจะธรรมวิทยะไปเรื่อยๆไม่จบนะเราจะคิดที่สุดโยมก็ไม่ไหวจิตมันก็จะเปลี่ยนของมันเองต้องดึงกลับมาช้ามันก็กลับมาที่ลมหายใจยังไงมันก็กลับมาอยู่ที่ว่ามันจะกลับช้ากลับเร็วนั้นนะเหมือนอกุศลอะไรไหนที่โยบอกแม้ทิ้งมันไม่ได้สักดีตั้งใจคิดเลยฉันจะคิดอกุศลเนี่ยทั้งชั่วโมงเลยนะคิดมันพอมัน ไปที่อื่นยาจะกลับมาคิดอีกนะนจะพ่อพูนอกุศลให้มากมันก็ไม่ไหวที่สุดมันก็ดับดับแล้วเปลี่ยนอยู่ดีอย่างนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเสพครบทําไมกับอกุศลใช่ไหมขณะที่จิตมีอกุศลพระเจ้าก็าาบอกขณะนั้นเนี่ยไฟกําลังไหมลุกโปรงเสื้อผ้าเธอขอคําถามสุดท้ายครับ <c oughs> เพื่อให้ท่านอื่นจะได้ถามด้วยไม่ทราบผมเข้าใจผิดหรือถูกไหมอ า, าจารย์คือสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกว่าการที่เรามาระลึกลมหายใจเนี่นะครับพอปฏิบัติไป จถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยเอ้ยมันก็คือการที่เราก็ยังมีวิตรวิจารณ์อยู่หรือเปล่าคือสมมติว่าเราเอาลมหายละลึกลมหายใจอยู่กับกายนี่นะฮะไ ม, ไม่ไปไหนแล้วละ่ะผมกําลังคิดว่าเอ้ยสุดท้าย น, นี้ก็ยังยังไม่พ้นเรื่องวิตกวิจารณ์อยู่ถึงแม้จะอยู่กับลมหายใจไม่ทราบผมก็จะผิดฤรถูกครับอาจารย์ อ, อ, <c oughs> อยู่ที่ยอมให้นิยามของคําว่าวิตกวิจารไปแค่ไหนนะนั้นถ้า วิตกวิจารของโยมคิดขนาดนั้นน่ะมันจะคิดลึกเกินไปปุจ้าจะไม่ได้จัดเป็นกลุ่มวิตกวิจารณ์แล้วไม่งั้นก็จะไม่มีคําว่าวิตกวิจารณ์ดับใช่ไหมแต่มันยังเป็นการปรุงแต่งของจิตจิตยังมีการปรุงแต่งในรูปแบบอื่นอื่นอีกนะแม้แต่จะอยู่ในจตุจัฌานอาการสาวิญญาอาคินจิตก็ยังมีการปรุงแต่งอยู่ในขันทั้งหนะ้าชั้นหนึ่งถึงสี่ขันท่าครบ พอขึ้นอากาศาก็ยังปรุงแต่งอยู่ในขันทั้งสี่ถึงจะวางรูปประทาดได้จิตก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในสี่ขันอีกอยู่ดีไม่ได้ไปวันนี้อยู่ที่นี่ตลาดได้ได้อ๋ออ๋อได้ได้ ก็ดีเนี่ยตั้งใจกันมาทำเนาะอืออ่าฮะเวลาเราทําพุทธวจนะไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยอย่างพวกญาติโยมที่ทำนะกลุ่มอาสาสมัครต่างๆก็จะเริ่มคุ้นเคยกับคําพระศ า, ศาสดาแรกแรกก็เหมือนไม่มีอะไรนั่งตัวหนังสือไปเรื่อยๆตรวจไปตัวม า, าชักเอ๊เอเอเขาท่านะคําพระเจ้าเนี่ยนะแล้วมันจะมันจะซาบซึ้งไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจเข้าใจไปเรื่อยๆ สอบถามการปฏิบัติอาณนาะปัตสติกของขับเจ้าถูกต้องั <c oughs> อ้มลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วมีแสงออกมาตามตำราผมฝึกก็คือคณิกะสมาธิเมื่อมีแสงสว่างจ้าแล้วให้เพ่งไปที่แสงนั้นเมื่อแสงลมตัวเป็นดวงกลมเรียกว่าอุขัตตนิมิตซึ่งในตำราบอกว่า <c oughs> นั่นคืออุปจารสมาธิและเมื่อดวง สีขาวนั้นรวมกันดีก็จะออกมาเป็นดวงแก้ว <c oughs> เรียกว่าอะโลกสินก็จะมอะีอารมณ์ที่มั่นคงคือวิตกวิจารปิติสุเอกตาเมื่อละ ว, วิตกวิจารแล้วก็เป็นปิติสุเมื่อละสุปิติแล้วก็มีสุกับเอกตาเมื่อฌานที่สีละแล้วก็คือลมหายใจแทบไม่มีก็คื อ, อะจะเป็นอุเบกขาและความตั้งมั่น ซึ่งในตํำรางไปกล่าวถึงว่ามีฌานที่ห้าด้วยอยากจะทราบความเป็นจริงของพุทธวจนะว่าอานาปัสสติแบบนี้มีที่ชนติและที่ถูกต้องอย่างไรไม่มีนะที่โยมพูดมาเนี่ยเป็นอัตถกถาคือแต่งขึ้นทั้งหมดนะโยมคล่องแคล่วในคําที่แต่งขึ้นเป็นอย่างนี้นะนี่คือผลเสียของการแต่งคําขึ้นมาของสาวกทั้งหลายซึ่งไม่ใช่ผู้บัญญัติพระศาสดาเป็นคนบัญญัติ แต่ก่อนนัตมาก็คล่องแคล่วคำแต่งขึ้นเหมือนกันนะตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่ให้มาคล่องแคล่วในคำพระศาสดา <c oughs> ถ้าโยมไปตรวจดูโยมจะไม่เจอคำว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิที่พระาศัสดาตรัสไปเลยนะพระศัสดาจะตรัสสมาธิ9ระดับนะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌาน อาการสาัญจายยัตนะบิญญาณัญจายันะอากิจัญญายัตนะเนวสัญญาณนานสัญญายตนะสัญญาเวทิตนิโรธนะ <c oughs> ในสมาธิทั้งเก้าระดับนี้พระุทธเจ้าจะอธิบายคุณสมบัติไว้นะเหมือนกันทุกๆครั้งเลยที่พระองค์ตรัสดเนี่ยจะไม่มีการผิดเพี้ยนไปนะและจะสอดรับกันส่วนชื่อสมาธิที่สาวกแต่งขึ้นเนี่ยิบคนก็พูดไม่เหมือนกันนะ พ่อผู้เจ้าไม่เคยพูดเอาไว้และฌานฌานหรือฌานะเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้แค่ 1-4 ถึงสีนะฌานที่5ไม่มีนะฌานหรือฌานะมีแค่4ขั้นนะขึ้นไปในระดับอรูปเนี่ยจะไม่มีคำว่าฌานหรือฌานะจะไม่เคยใช้นะเป็นการแปลเกินนะใส่คำว่าฌานเข้าไปเองตั้งแต่อาการสาัญจายตนะขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ใช้คาว่าฌานหรือฌานะ ฌานจะใช้แค่4ี่อย่างส่วนคําว่ารูกประชานอรูปประชานชาก็ไม่เคยตรัสเอาไว้จะตรัสรูก ป, ประสัญญากับอรูปประสัญญานี่อย่างนีน้ที่เป็นพุทธวจนะจริงๆและถ้าโยมเทียบเคียงข้อมูลแบบยังไม่ต้องรู้บา ล, ลีอะไรเลยใช้การเทียบเคียงข้อมูลคําว่าคณนิการประชาะรัปนาจะไปอยู่ในกลุ่มของคําที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยแต่จะไม่หลุดมาอยู่ในพุทธวจนะนะลูกประชานลูประชานชาเหมือนกันก็จะไปอยู่ในกลุ่มคําที่แต่งขึ้นใหม่ อย่างนี้นั้นแค่การเทียบเคียงข้อมูลเนี่ยคำพระศาสดาอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยอะไรที่พระเจ้าไม่เคยพูดเลยเนี่ยเราพยายามเอาออกไปก่อนน ะ, ะให้เหลือแต่คําพระศาสดาเท่านั้นแล้วก็ศึกษาและเสพคบในธรรมของพระศาสดานะฮะอ่อ โยมก็าถามมาว่าอยากทราบว่าการถือศีลอุโบสถ ด, ด้วยศีล8ปเหมือนกันไหมออแล้วจำเป็นต้องทำที่วัดใหม่หรือทำที่บ้านก็ได้โดยปกติที่เราเรียกกันทั่วๆไปศีล8ก็คือศีลอุโบสถแต่จริงๆแล้วคาว่าศีลแเนี่ย ครูเจ้าจะใช้คำว่าอุโบสถมี8ปประการนะซึ่ง <c oughs> มีอันเดียวจะทำที่ไหนก็ได้แค่เราตั้งเจตนาตั้งใจประพฤติกายวาจาตามที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้แล้วก็มีพระพระไพบูรณ์ท่านก็ไปเจอในบาลีว่ า, าการถืออุโบสถ8ปประการเนี่ยจะต้อง ทานหนเดียวนะงดฉันในราตรีและวิการน ะ, ะพี่ช า, าบอกให้มีพักผลเดียวมีอาหารหนเดียวนะ <c oughs> แต่เปรียบเทียบกับสินของสมณเนเนี่ยจะไม่มีการงดฉันในราตรีจะงดฉันในวิการเฉยเฉยนะแต่ก่อนสมณเนเนี่ยเป็นอยังเด็กนะบางทีกลางคืนก็ร้องไห้หิวข้าวนะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้ฉันแต่ไม่ไม่บัญญัติความผิด เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุจาเป็นไปฉันก็จะไม่ได้ถูกปรับความผิดในเรื่องของการฉันในราตรนะีแต่ของอุโบสถ8ปประการเนี่ยนะก็คือมือเดียว ปัญหาต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถหาได้จากคําสาวกเลยหาได้จากคําพระศาสดาเพราะสาวกเมื่อไม่ใช่ผู้บัญญัติเนี่ยจะพูดไม่ครอบคลุมในชีวิตของท่านก็พูดอะไรไม่ครอบคลุมทั้งหมดนั้นเราไม่สามารถหาคําตอบในทุกๆเรื่องได้แต่ในคําของพระศาสดาเราหาคําตอบทุกเรื่องได้หมดนะเพราะท่านเป็นผู้บัญญัติคําสอนออกมาสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนนะแล้วนําไปปฏิบัติตาม ขยันมีความเพียรดีเดินถึงที่หมายเป็นบุคคลผู้สมควรกลับไหวบูชานับถือเป็นตักษะเนยะบุคคลอย่างนี้เขาออกัดเจ้าค่ะพระอาจารย์เด็กก็ต้องพระสูตรถวายเจ้าค่ะ จะต้องประสูตนให้ฟังอาเชิญเลยตามรอยทำหน้า3ามริบอามรอยทำเนาะไม่ได้ทรงประพฤติโพมาจารย์เพื่อให้เขานับถือพิสูจทั้งหลายโพมาจารย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือมิใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวาร มิใช่เพื่ออันนี้ส่งเป็นลาบสักการะและเสียงสรรเสริญมิใช่เพื่ออันนี้ส่งจะได้เป็นเจ้าลทิหรือค้หรือเพื่อคารละทิอื่นใดให้ล้มลงไปและไม่ใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาม่ได้ภิกษุทั้งหลายที่แท้พโมาจายนนี้เราประพฤเพื่อสำรวมเพื่อละ เพื่อคลายกำหนักเพื่อดับสนิซึ่งทุกข์แล้วอาจารย์ช่วยอธิบายพระสูตรนี้ ห, หน่อยค่ับ ะ, ะพระสูตรนี้ดีเนาะก็จริงๆแล้วพระพูกมีพระภาคเจ้าของเราและภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทเนี่ยก็ต้องตั้งจิตอย่างนี้นะเราปฏิบัติกันเนี่ยเพื่อความผลทุก์พวกเราทั้งหลายมาที่นี่ก็มาเพื่อรู้ข้อธรรมที่ใจจะไปปฏิบัติเพื่อความผลทุก พระศาสดาไม่ได้ต้องการบริษัทบริวารอะไรนะเพียงมีเมตตานะอยากจะบอกธรรมะที่เป็นไปเพื่อความปนทุกข์ที่พระองค์คนพบแล้วนะพระองค์ไม่ได้บอกธรรมะเพื่อให้ได้ลาบสักการะนะหรือเสียงสรรเสริญเยนยอเพียง <c oughs> ฉันอาหารวันละหนึ่งหนเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้พิขาจารย์ไป ภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานนะไม่ใช่เป็นไปนะเพราะว่าเป็นคนหนีลชัชทันหรือขอให้จนปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยแต่เป็นเพราะเห็นภายในสังสารวัตนะเห็นภยัยโทษทุกไปในความแก่เจ็บตายจึงออกมาสแสวงหาความทุกข์ลักษณะเดียวกันนะพระองค์ก็ตรัสไว้นะ ไม่ได้ต้องการเป็นเจา้าลัทธิหรือเพื่อค้านลัทธิอื่นใดให้ล้มไปนี่ก็เป็นความจริงใจของพระองค์พระองค์โตวาทากับเจ้าลัทธิใดเนี่ยก็เพื่อหาสัจจความจริงเอาสัจจความจริงมาพูดมาประกาศไม่ได้ต้องการให้ลัทธิเขาล้มลงไปแต่เพื่อให้เขาเนี่รู้ความจริงนะนั้นถ้าเราเห็นความจริงใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้นะ เราก็จะมีความมุ่งหมายนะมีความมีเจตนารมของการประพฤติปฏิบัติที่ตรงทางถูกต้องนะว่าเราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั่นเองไม่ได้เพื่อแง่มุมอื่นใดนะที่เป็นไปในทางโลกธรรมทั้งหลายนะ <c oughs> นี่ก็เป็นความหมายของพระสูตรนี้นะขอบคุณค่ะ <c oughs> จริงๆลัทธิอื่นเนี่ยถ้าฟังพระสูตรนี้ก็น่าจะสบายใจได้นะว่าพูุ้ทธเจ้าเนี่ยเจตนาไม่เคยคิดจะล้มล้างลัทธิใดลัทธิหนึ่งเลยนะแค่ประกาศความจริงและความจริงที่ผู้พุทธเจ้าเข้าไปเห็นเข้าไปค้นพบเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะไปล้มล้างลัทธิอื่นเลย มันเป็นความจริงเป็นอาการของจิตว่าจิตมันทํางานยังไงอะไรยังไงซึ่งก็ตรวจได้เป็นปัจจตังเป็นสิกีพูโตได้นะในปฏิจจสุบาทภัสสะกระทบแล้วจะเกิดเวทนาพอใจเกิดอยากเกิดยึดมันก็จะเป็นจริงตามนั้นไม่ว่าจะเป็นคนชาติอะไรนะหรือถือความเชื่อใดก็จะมีอาการจิตอย่างนี้หมดมาพูดเรื่องความจริงของธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราแค่นั้น นะจ้ะอ่ <c oughs> อาฮะคนนับถือศาสนาอื่นอางเงี้ยครับเขาจะเหมือนกับปรินิพพานหรือว่าบรรลุธรรมได้นะรหรือว่ากรณีตายไปแล้วเนี่ยครับชาติหน้าจะได้พบกับพระพุทธศ า, าสนาเนี่ยครับก็อยู่ที่เขามีมรรคแปดไหม สุภัสทะเคยถามคำถามนี้กับพระพุทธเจ้านะว่าลทัทธิอื่นศา ส, สนาอื่นเนี่ยมีพระอหันต์มีความหลุดพ้นไหมมีนิพพานไหมนะพระพุทธเจ้าก็บอกมีมรรคแมดไหละ่ะนะแต่ท่านก็มองไม่เห็นของใครว่าที่เขามีมรรคแมองไม่เห็นลทัทธิใดที่จะมีสมณะที่1สมณะที่สองสมณะที่สหรือสมณะที่4นะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกัน้นถ้าเขาเขามีมรรคมีองค์แ เพราะหนทางเนี่ยคือหนทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงนะฮะ <c oughs> เปิดทิ้งไว้เลยนะไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดค่ะได้เสิร์ชดูในโปรแกรมเสิร์ชนะคะ อ, าาอ่า แม่ชีทำวิไัยสำหรับแม่ชีไม่พบเจ้าค่ะไม่มีอ่ะแม่แม่ชีไม่มีอ่าแม่ชีก็คืออุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ น, นั่นเองถ้าจะเปรียบเทียบกับผทธบริษัทของพระศาสดานะอ่าถ้าจะเราถ้าเราจะเรียกให้ถูกก็คืออุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์อ่านุ่งห่มขาวนะบริษัทของผู้เจ้าจะตรัดไว้หลายนยันยนัยหนึ่งบอกมีสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา อีกนัยยะหนึ่งจะแบ่งอุบาสกเนี่ยเป็น2คืออุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์และอุบาสกผู้บริโภคการมแบ่งอุบาสิกาเป็น2 อ, อุบาสิกาผู้ปร ะ, ประพฤติพรหมจรรย์และอุบาสิกาผู้บริโภคการมนะเรียกว่าโอดาตวัสนาคขาเลือหัดผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นะก็เป็นอย่างนั้นซึ่งจะต้องไปดูในอีกพระสูตรหนึ่งที่ผู้เจ้าถามว่าคุณธรรมอะไรที่ทําให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกา ก็จะเจอบอกว่ามีสินห้าหรืออุโบสถแปดประการนะอย่างนี้แม่ชีนี่ต้องโกนผมไหมครับอุบาสิกาผู้ประพฤติปรมาจารย์ไม่ได้ไม่ได้บัญญัติรูปแบบเอาไว้จะมีรูปแบบนิดหนึ่งคือ นุ่งห่มขาวตัวคำว่าโอดาตวัสนาเนี่ยคือก็คือการหัดผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติประมจันนั้นการนุ่งขาวก็มีที่มาที่ไปตรงนี้นิดหนึ่งแค่นั้นเองอชาโกนก็คงไม่ผิดอะไรเพร า, าะคารวเนี่ยผู้เจ้าไม่ไม่มีระเบียบวินัยอะไรไปจับมากแต่าตามสะดวก เพียงแค่ถือสิ่งเป็นหลักใช่ไหมฮะใช่สิ่งแปดเป็นหลักแค่นั้นเองเพราะการจัดนักบวชของพุทธเจ้าเนี่ยจัดเฉพาะภิกษุกับภิกษุณีนอกนั้นไม่ใช่นักบวชสมมณีนก็ไม่ใช่นักบวชสมมณนเรียกว่าอนุปัตสัมปันผู้ที่ยังไม่ใช่นักบวชนะ อุปสมบันิคือนักบวชคือภิกษุกับภิกษุณี2กลุ่มเท่านั้นที่เหลือเนี่ยสัมมาเนสัมมนเนลีศิกขมานาอุบาสกุบาสิกาจัดเป็นอนุปสัมบันิยังไม่ใช่นักบวชนะนั้นอย่างตามสถานที่ต่างๆที่บอกว่าอมาบวชการมาบวชชีพามาบ ว, าาบวชเนคขมลาลัยไม่ใช้คําว่าบวชไม่ได้ใช้คําว่าอุปสัมบันิไม่ได้นะเพราะจะมีเขาเลหัดนะในครั้งพุทธกาลคนหนึ่ง เขาก็บอกว่าเขาเป็นนักบวชเขาสละเงินทองสละญาติพี่น้องออกเดินออกมาในป่ามาเจอพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็บอกว่าเขา้าพเดชเชิญ น, นั่งเขาบอกว่าเขาไม่นั่งเพราะเขาไม่ใช่ขา้าพเดชเขาเป็นนักบวชนะก็เลยมีการโตวัฒนกันเล็กน้อยนะพุทธเจ้าก็เลยถามว่าแล้วคุณทําอะไรที่ทําให้เธอเป็นนักบวชอ่าเห็นไหมเราจะรู้ละ ว, ว่าพระพุทธเจ้าจัดนักบวชเป็นอะไรบ้าง เขาก็บอกเข้ามาเนี่ยเจ็ดแปดอย่างแล้วเขาก็ย้อนถามล่ะแล้วของท่านแหละมีอะไรผู้เจ้าก็กลัดมาโอ้วยาวเลยห้าสิบหกสิบอย่างเขาบอกว่าโอ้ธรรมะของเขาเนี่ยนิดเดียวเองผู้เจ้าบอกว่าไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเปลือกเป็นกระพีนะอืมยังมีอีกมากเห็นะนั้นในวินัยของ รัศดาเนี่ยที่ภิกษุต้องรักษาถึงมีมากถึงมากกว่า 2,400 ข้อนะเดี๋ยวในปีนี้ถ้ากําลังจะทําหนังสือเรื่องวินัยให้เสร็จนะเราจะได้ทราบสิกขาบทของพระทั้งหมดนะตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายนะมีหลายพันข้อมากและต้องรักษาทั้งหมดเราต้องพยายามรักษาทั้งหมดนะ เห <úsica> mm. ตุใดพุทธศาสนาจึงเสื่อมในอินเดียขณะที่อาสนาเชนชีเปือยพวกนี Pie ้กับรุ่งเรืองล่ะครับท่านก็เป็นเหตุปัจจัยธรรมดาของศาสนาหรือว่าสิ่งต่างๆที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดนะแล้วก็จะมีความเสื่อมเพราะว่าในครั้งพุทธกาลก็ศาสนาแพร่ไพสารไปทั่วโลกแล้วนะถึงจุดสูงสุดแล้วนะและเมื่อ อะไรก็ตามเจริญถึงขี่สุดเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าอาสวะตานิยธรรมทำ ม, มันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมจะเกิดขึ้นนะเพราะสงฆ์เนี่ยตั้งมานานน ะ, จะเจริญด้วยล่าแผ่ไพศาลไปเต็มที่นะความเสื่อมจะเกิดขึ้นนั้นกุลบุตรที่เข้ามาบวชก็ไม่ได้ว่าดีทั้งหมดไม่ได้มีความตั้งใจ 100% ทั้งหมดนะความเริ่มใสนะของชุมชนที่เริ่มใสก็อาจจะเสื่อม ของชุมชนที่ยังไม่เริ่มใสก็ไม่เกิดความเริ่มใสขึ้นมานะนั้นมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงตามเหตุปัจจัยนะพระที่ทำผิดก็จะมากขึ้นมากขึ้นเนะติบโตขึ้นนะอันนี้ก็เป็นธรรมดานะหลักธรรมคาสอนของพระศาสดาที่แท้ก็ค่อยๆถูกปิดเบือนไปคําแต่งใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเนื้ อ, มอไม้ใหม่ที่ทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกอย่างนี้ มหาวิทยาลาันทานี่มีจุประสงค์อะไรรือครับท่านเห็นเหลือแต่เป็นมหาไร้ล้างไม่ทราบว่าเมื่อก่อนนี่มีไว้ทำธุระหรือว่าไว้สังคากรรมครับก็ในประวัติศาสตร์ก็เป็นเหมือนมหามงกุดมาจุฬาเนี่ยแต่ยิ่งใหญ่กว่านะก็คือไว้ให้ศึกษาแต่ไม่รู้ว่าศึกษาคำศาสดาล้วนๆ1้อยเปอร์เ็หรือเปล่า นะตรงนี้มันมีชั้นหลังแล้วนะเราก็มุ่งศึกษาแต่คำสอนพระศาสดาละกันเพราะว่าพอมาชั้นหลังการบัญญัติการพูดอะไรมันก็มีเพิ่มเติมขึ้นนะราพยายามย้อนกลับไปหาก็ในปัจจุบันนี้ก่อนที่หนังสือ33าเล่มเราจะเสร็จเนี่ยนะตัวนี้นะ <c oughs> ที่มีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยนะด้านซ้ายจะเป็นบาลีด้านขวาจะเป็นภาษาไทยโดยใช้ข้อมูลจากบ า, าลีสมรัฐ นะตอนนี้โยมใช้ห้าเล่มจากพระโอษฐ์นะดีมากนะที่ท่านผู้ทานรวบรวมเอาไว้เป็นพุทธวจนะนะห้าเล่มจากพระโอษฐ์ตัวนี้นะี่อันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อันนี้อริสัต์จับพระโอษฐ์ขนาดนี้จะมีใหญ่ขนาดนี้สองเล่มแล้วก็ปฏิจจสุบาทอีกหนึ่งเล่มและพุทธประวัติขนาดนี้อีกหนึ่งเล่ม เป็นคําพระศาสดาของเราเองนะไม่ไม่ใช่ความเห็นของท่านพุทธทาสน ะ, ะ <c oughs> เป็นการแปลนะคพระศาสดานะ <c oughs> ก็เราจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าองค์ความรู้เราจะไม่แต่กระสานสั้นเซนมันจะอยู่ในกรอบของอริสสส4อริสสสีก็ตีไปสามเล่มแล้วคือปฏิจจสมุปาท หนึ่งเล่มประมาณพันกว่าหน้านะแล้วก็อริสัตย์จะพระโอ์ภาคต้นภาคปลายนะยังละเกือบพันหน้านะภาคปลายก็พันกว่าหน้าอันเนี้ยสเล่มนี้ก็ครอบคลุมอริสัต90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะประวัติที่พระเจ้าเล่าเองออกจากปากของท่านเราจะได้แยกแยะได้ว่าไอ้ประวัติที่เขาแต่งขึ้นกันยืดยาวเทศมหาชาติอะไรต่ออะไรเนี่ยที่แต่งกันขึ้นยืดยาวเนี่ยนะมันปรุงแต่งจาก คำพูดผู้เจ้าเนี่ยไม่กี่หน้า4ีห้าหน้านะเราจะเห็นการแต่งขึ้นนะความต่างกันของคําพระศาสดากับคําทั่วไปเราจะเริ่มคุ้นเคยคําศาสดาของเราลักษณะผู้เจ้าพูดจะพูดยังไงมีการพูดซ้ําพูดซ้ำนะอย่างนี้แล้วตัวพูดซ้ํานี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเทียบเคียงคําพระศาสดาเราเจอพระสูตรใดที่มันไม่มีซ้ํากับใครเลยเนี่ยเริ่มตั้งข้อสงสัยได้ อันนี้ก็จะเป็นเชิงลึกขึ้นไปอีกในการวิเคราะห์คําพระาศาสดาก่อนจะวิเคราะห์คําพระาศาสดาเสพคบธรรมะพระาศาสดาก่อนวาง ค, คําคนอื่นออกซะนะมันจะได้ไม่ตีกันนะพราะพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เลยว่าถ้าเธอไปศึกษาคําที่แต่งใหม่เนี่ยเธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ไม่สามารถบรรเทาความสงสยัยทั้งหลายที่สงสัยเนี่ยให้ใคลายลงไปได้ลองเชื่อพระาศาสดาสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ใช้แต่คําพระพุทธเจ้า และโยมจะวางคำคนอื่นหมดเลยแลโยมจะแตกฉานในธรรมะเพราะคำผู้เจ้าจะเชื่อมลับกันหมดเลยโยมจะรู้ว่าอ๋อการเชื่อมลับคำมันเป็นยังไงอย่างนี้นะแล้วก็ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็เราได้ทำหนังสือพว <c oughs> กเล่มเล็กๆอย่างนี้ออกมาสิบเล่มนะพวกนี้นะ <c oughs> ก็จะ จะเจาะในเรื่องที่เป็นประเด็นต่างๆนะเช่นถ้าสําหรับผู้ใหม่ก็จะเป็นนะประถมธรรมตามรอยธรรมนะแล้วก็ก้าวย่างอย่างพุท ธ, ธะนะตัวนี้นะอันนี้ผู้ใหม่ก็อ่านได้หรือว่าคารวะชั้นเลิศนะอันนี้ก็ผู้ใหม่นะผู้ใหม่อ่านดีอยู่นะตัวนี้คารวะชั้นเลิศนะ <c oughs> แล้วก็เจาะในเรื่องของคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันนะซึ่งเล่มใหม่กำลังมาถึงนะจะรวบรวมไว้ได้ทั้งหมดตอนนี้51านัยยะเพื่อเอาไว้ตรวจความเป็นโสดาบันด้วยตนเองนะมักวิธีที่ง่ายนะก็ได้รวบรวมไว้ให้นะหลักในการแก้กรรมที่ถูกต้องทำอย่างไรนะจะรวมไว้ให้มักมีองแเท่า น, นั้นวิธีเดียวในการแก้กรรม การจเจริญอานาปาณสติแท้ๆเนี่ยที่ศาสดาบัญญัติทาอย่างไร32พระสูตรทั้งชีวิตผู้เจ้าตรัสไว้ครบหมดแล้วนะไม่ต้องไปวิ่งหาคำของใคร <c oughs> <c oughs> การดูจิตที่ถูกต้องทำอย่างไร60กว่าพระสูตรนะอินทรีสังวรนะตามดูไม่ตามไปนะอย่าไหลไปตามอารมณ์อย่ามีสัญโยคะให้ละนันทิทุกพระสูตรจะสอดรับกันทั้งหมด60กว่าพระสูตรนะแล้วก็หลักในการสาธยายธรรม ประโยชน์การสาธยายทำนะเป็นอย่างไรพระาศาสดาบัญญัติไว้แล้วต้องเจ็ดพระสูตรไม่ต้องไปแต่งใหม่ไม่ต้องไปคิดใหม่นะแล้วก็อ น, นิสงส์การแผ่เมตตาทําอย่างไรนะบทปัญชนะใดที่พระาศาสดาสาธยายด้วยพระองค์เองนะอิทัปปัญตาปฏิจจสุบาทนะเราก็ทนะําตรงนี้พุทธประจนะทั้งชุดนี้นี่ มีโอกาสได้ศึกษาทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างไรบ้างครับก็ <idades> <f> ตอนนี้กำลังรวบรวมนะข้อมูลต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยนะรวมทั้งรวบรวมปัจจัยในการที่จะพิมพ์นะก็ทยอยทำไปเรื่อยๆตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วมั้งสี่ล้านเล่นเล่นใหญ่นี่ทั้งหมดครับทั้งหมดอ๋อตอนนี้จะแยกจะแยกกลุ่มกันอันนี้อันหนึ่ง สามล้านกว่านะก็ะ<ๆ>ะจะทยอยพิมพ์เรื่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าภาพมามารับพิมพ์เป็นระยะระยะไปเรื่อยๆนะเราพยายามจะให้คําพระศาสด า, าอย่างนี้มีทั่วประเทศนะยมลองดูหนังสือที่แต่งใหม่เนี่ยหนังสือสาวกหรือหนังสือมนต์พิธีพวกเนี้ยที่ไม่ใช่คําศาสดาหาได้ทุกแผงหนังสือเลยแต่หนังสือสาศาสดาของเราเองกลับไม่มีมนะ อ่าตอนนี้ก็ต้องรณรงค์ให้มีหนังสือของศาสดาเราเองเนี่ยนะทุกแผงหนังสือให้ได้นะเมืองพุทธต้องมีคำศาสดาเรานะโยมอยากอ่านที่ไหนต้องหาซื้อได้ทุกที่อย่างนี้อนะนะ่เดี๋ยวไปจัดอาหารเนาะเดี๋ยวจะส่